18. แนวรุกแนวรับในการปฏิบัติถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายหลวงปูม่ม่นสอนนะถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูกายก็ไม่ไหวให้ทาความสงบให้ทาสมถะมีแนวรุกแนวรับนะทาสมถะแล้วจิตใจแช่มชื่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็รู้ทันจิตไปจิตมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบดูจิตไปเรื่อยๆฟุ้งซ่านแล้วดูอะไรไม่ถูกก็รู้ร่างกายไป